ขันสามและจิตตะสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นละถึงขันสองและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันสองเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะพึงเพิ่มข้อความจนถึงมหาปูตรูปสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยได้แก่เหตุอาศัยขันที่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะ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 เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อสอเหตุปัจจัยมีกลาวาระอารมณปัจจัยมีกลาวาระและถึงอวิคตตปัจจัยมีกลาวาระพึงขยายสหชาตะวาระและถึงสัมยุญตาวาระให้พิจาราเหมือนกับปฏิจจวาระเหตุปัจจัยและอารมณปัจจัย 3. สภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุ เป็นปัจจัยแฉ่สภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแฉ่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแฉ่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแฉ่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุโดยระมณะปัจจัย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 สภาวธรรมที่มีเป็นเหตุและที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุดวารมณะปัจจัยย่อสี่เหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณะปัจจัยมีเก้าวาระและถึงปุเรชาติปัจจัยมีสามวาระปัจจาชาตปัจจัยมีสามวาระและถึงกรรมปัจจัยมีสามวาระละถึง ชานะปัจจัยมีสามวาระละถึงวิปยุตตะปัจจัยมีห้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมี9้าวาระพึงขยายให้พิจารณาเหมือนปัญหาวาระในกุศลติกะสอสะเหตุตุกะทุกะหนึ่งถึง7ปฏิจจวาระเป็นต้นปัจจะยะจะตุกะในเหตุตุปัจจัย 5. สภาวธรรมที่ไม่ใจมีเหตุ อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุทานรูปอาศัยโมหะที่สหรคตุวิจิกิจฉาและที่สหโรโคตยอุทจจะเกิดขึ้นมหาภูต ร, รูปสามอาศัยมหาภูต ร, รูปหนึ่งเกิดขึ้นละถึงมหาภูต ร, รูปสองอาศัยมหาภูต ร, รูปสองเกิดขึ้นจิตตสมุทานรูปและกะตัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูป อาศัยมห า, าภาูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยได้แก่สัมพยุติขันอาศัยโมหะที่สหรคด้วยจิกิจฉาและที่โสหรคด้วยอุทะจักเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันธ์ที่มีเหตุอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีเหตุและที่ไม่ใช่ไม่มีเหตุ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุอุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีเหตุและที่ไม่ใช่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีเหตุ และที่มิใช่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีเหตุและที่ไม่ใช่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีเหตุและที่มิใช่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยอ่อหกเหตุตุปัจใจมีห้า ว, วาระอารมณะปัจัยมีหกวาระอธิปติปัจัยมีห้าวาระและถึงอวิคตาปัจจัยมีห้าวาระ พึงขยายสหชาตะวาระและถึงสัมปยุตตะวาระให้พิจารณาเหมือนกับปฏิจจวาระเหตุปัจจัยและอรมณปัจจัยเจสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีเหตุเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่ใช่มีเหตุโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีเหตุเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีเหตุโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีเหตุ เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่ใช่มีเหตุและที่ไม่ใช่ไม่มีเหตุโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีเหตุโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ใช่มีเหตุโดยอรมณปัจจัยย่อแปดเหตุปัจจัยมีหกวาระอรมณ์ปัจจัยมีเก้าวาระ อธิปติปัจจัยมี่วาระอเนนตระปัจใจมีเก้าวาระละถึงสหชาติปัจจัยมีเก้าวาระอัญญามัญญปัจจัยมีหกวาระนิสยปัจใจมีเก้าวาระอุปนิสยปัจจัยมีเก้าวาระปุเรชาติปัจจัยมีสามวาระปัจฉาชาติปัจจัยมีสามวาระอาเจวะณะปัจจัยมีเก้าวาระกรมมปัจจัยมี่วาระละถึง ชาณปัจจัยมีสวาระมัคราปัจจัยมีสมวาระสัมพยุตตปัจจัยมีหกวาระวิปยุตตปัจจัยมีหวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมี9วาระพึงขยายให้พิดารเหมือนปัญหาวาระในกุชลติกะ 3. เหตุสัมปยุตตทุกกะ 1. ปฏิจจวาระ 9. สภาวธรรมที่ไม่สัมปยุตด้วยเหตุ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 เกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุติเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่วิปยุจจากเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุติเหตุและที่ไม่วิปยุจจากเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่วิปยุจจากเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุติเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุติเหตุและที่ไม่วิปยุจจากเหตุ เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อ10เหตุปัจจัยมีเ้าวาระอารมณปัจจัยมีหกวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเ้าวาระสหชาตะวาระละถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยพึงขยายให้พิจารณาสีเหตุสเสหตุกะทุกกะหนึ่งปฏิจจวาระ สภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุและที่ไม่ใช่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุและที่ไม่ใช่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีเหตุและที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุและที่ไม่ใช่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุม่ใช่ไม่มีเหตุและที่ไม่ใช่ไม่มีเหตุม่ใช่ไม่เป็นเหตุ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 สภาวะธรรมที ario, ่ไม่เป็นเหตุมิใช่ไม่มีเหตุและที่มิใช่ไม่มีเหตุมิใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่มิใช่ไม่มีเหตุและที่มิใช่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นประเหตุปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุและที่มิใช่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุมิใช่ไม่มีเหตุและที่มิใช่ไม่มีเหตุมิใช่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นประเหตุปัจจัย มีสามวาระย่อเหตุปัจจัยมี9ก้าวาระอรมณะปัจจัยมี9ก้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้ า, าวาระสหชาตะวาระละถึงปัญหาวาระทุก ป, ปัจจัยพึงขยายให้พิจาราลเหตุตุเหตุสัมบุญตะทุกะหนึ่งปฏิจจวาระสิบสองสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุ และที่ไม่วิปยุจากเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและที่ไม่วิปยุจากเหตุเกิดขึ้นประเหตุตกปัจจัยสภาวธรรมที่ไ er ม่วิปยุจากเหตุและที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและที่ไม่วิปยุจากเหตุเกิดขึ้นประเหตุตกปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุไม่วิปยุจากเหตุและที่ไม่วิปยุจากเหตุไม่ใช่ไม่เป็นเหตุ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 เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัตย์ใสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุไม่วิปวิจากเหตุและที่ไม่วิวิจากเหตุมิใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่วิปวิจากเหตุและที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัตย์ใสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและที่ไม่วิวิจากเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุไม่วิปวิจากเหตุและที่ไม่วิวิจากเหตุ มิใช่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นพระเหตุปัจจัยมีสามวาระยอ่อเหตุปัจจัยมีเก้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระทุกปัจจัยเพิ่งขยายให้พิจารณาหกนัเหตุสเสหตุกะทุกระหนึ่งถึงเจ็ดปฏิจจวาระเป็นต้นสิบสาสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุและที่ไม่ใช่มีเหตุ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 อาใจหาทัยวัตถุเกิด ER ขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุไม่ใช่มีเหตุและที่ไม่เป็นเหตุไม่ใช่ไม่มีเหตุอาใจสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและที่ไม่ใช่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและที่ไม่ใช่ไม่มีเหตุอาใจสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและที่ไม่ใช่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและที่ไม่ใช่มีเหตุ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 เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อ14เหตุปัจจัยมี9วาระอารมณปัจจัยมี4วาระอธิปติปัจจัยมี5วาระและถึงอัญญามัญญาปัจจัยมี6วาระและถึงปุเรชาตะปัจจัยมี2วาระอาเสวะณปัจจัยมี2วาระละถึงอวิคตะปัจจัยมี9วาระสหชาติวาระ และถึงสัมยุญตวาระเหมือนกับปฏิจจวาระอารมณปัจจัยบหสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและที่ไม่ใช่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและที่ไม่ใช่มีเหตุโดยอารมณะปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและที่ไม่ใช่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและที่ไม่ใช่ไม่มีเหตุโดยอารมณปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและที่ไม่ใช่ไม่มีเหตุเป็นปัจจัยของสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและที่ไม่ใช่ไม่มีเหตุโดยระมณะปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและที่ไม่ใช่ไม่มีเหตุเป็นปัจจัยของสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและที่ไม่ใช่มีเหตุโดยระมณะปัจจัยย่อ16อารมณปัจจัยมีสี่วาระละถึงอนันตระปัจจัยมีสี่วาระ ละถึงสหชาตปัจจัยมีเจดวาระอัญญามัญญะปัจจัยมีหกวาระนิจยาปัจจัยมีเจดวาระอุปปนิจยาปัจจัยมีสี่วาระปุเรชาตปัจจัยมีสองวาระปัจฉาชาตปัจจัยมีสองวาระอสวะณปัจจัยมีสองวาระพรหมปัจจัยมีสี่วาระและถึงชานะปัจจัยมีสี่วาระมขะปัจจัยมีสามวาระ จำปยุตตปั จ, จัยมีสองวาระวิปปยุตตะปัจจัยมีสาวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีเจดวาระเฮตุโคจกะจบเจ็ดสับปัจยะทุกะ หถึงเจปฏิเจวาระเป็นต้นสิเจสภาวธรรมที่มิใช่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งอาศัยสภาวธรรมที่มิใช่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระทุกปัจจัยพึงขยายให้พิจารณาสิบสภาวธรรมที่มิใช่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่ง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 อวิคตะปัจใจมีหนึ่งวาระทุกปัจจัยพึงขยายให้พิจารณาแปดสังคตะทุกกะหนึ่งปฏิจจวาระสิเกสภาวธรรมที่ไม่ใช่ปั จ, จัยไม่ปรุงแต่งอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ปั จ, จัยไม่ปรุงแต่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระเหมือนกับสัพัจญาทุกกะ เก้สนิทัสนะทุกกะหนึ่งปฏิจจาวรรยี่สิสภาวธรรมที <trenches> ่ไม <made marketplace> ่ใช่เห็นได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และที่ไม่ใช่เห็นไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัย ยอ่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีสามวาระ 10. สิสัพปะติฆาทุกะหนึ่งถึงเจ็ดปฏิจจวาระเป็นต้นยี่สิบเอ็ดสภาวธรรมที่ไม่ใช่กระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่กระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่กระทบไม่ได้ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่กระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่แช่กระทบได้และที่ไม่แช่กระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่แช่กระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่แช่กระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่แช่กระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่กระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่กระทบได้ และที่ไม่ใช่กระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระยอ่อเหตุปัจจัยมีก้าวาระอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีก้าวาร ะ, ะ, ะ, จจาระสหชาติวาระละถึงสมยุตตวาระเหมือนกับปฏิจาวาระยี่สิบสองสภาวธรรมที่ไม่ใช่กระทบได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ใช่กระทบได้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 สภาวธรรมที่ไม่ใช่กระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ใช่กระทบได้โดยอารมณะปัจจัยย่อย3สิสาเหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณะปัจจัยมีสองวาระอธิปติปัจจัยมีสี่วาระอเนนตระปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงสหชาตปัจจัยมี9้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีหกวาระเนสิยะปัจจัยมี9ก้าวาระ อ mm hmm. ุปาเสียปัจจัยมีสองวาระปุเรชาตะปัจจัยมีสามวาระปัจฉาชาตะปัจจัยมีสามวาระอาเสวณปัจจัยมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระละถึงอาหารปัจจัยมีสามวาระอินทริยะปัจจัยมีหวาระชานะปัจจัยมีสามวาระมรรคปัจจัยมีสามวาระสัมำยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระ วิบยุตตปัจจัยมีสี่วาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีกล่าวาระสิบอ็ดรูปีทุกระหนึ่งปฏิจจวาระยี่สิบสสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นรูปอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปและที่ไม่ใช่ไม่เป็นรูปอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปจาใจสภาวะธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นรูปอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัใจสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูปอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปจาใจสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูปและที่ไม่ใช่ไม่เป็นรูปอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นรูป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 ยอ่อยี่สิห้าเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอารมณปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระละถึงอัญญมัญญะปัจจัยมีหกวาระละถึงปุเรชาตะปัจจัยมีหนึ่งวาระอายตวณปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระสหชาติวาระและถึงปัญหาวาระ ทุกปัจจัยพึงขยายให้พิจารณ์สองโลกียทุกกะหนึ่งปฏิจจวาระ 26. สภาวธรรมที่ไม่เป็นโลกียอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นโลกียะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นโลกุตระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นโลกียเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นโลเกียะและทีท่ไ ม, ม่เป็นโลกุตระ darum, อาศัยสภาวธรรมที่ไม um ่เป็นโลกิยะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นโลกุตระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นโลกุตระเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นโลกุตระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นโลกิยะและที่ไม่เป็นโลกุตระเกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจจัยย่อเหตุตุปปัจจัยมีห้าวาระอารมณปัจจัยมีสองวาระละถึง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 สิ 24, อาสวะทุกกะหนึ่งปฏิจจวาระ 28. สภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะและที่ไม่ใช่ไม่เป็นอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะ เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะและที่ไม่ใช่ไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะและที่ไม่ใช่ไม่เป็นอาสวะ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 เกิดขึ้นพระเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีหาวาระอารามะณะปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหาวาระทุก ป, ปัจจัยพึ่งขยายให้พิจารณาสิบอาสะวะสัมปยุตตะทุกกะ 1. ปฏิจจาวาระ30สสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุตด้วยอาสะวะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุตด้วยอาสะวะ เกิดขึ um. ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่วิปยุจจางอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุจด้วยอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจใจสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุจด้วยอาสวะและที่ไม่วิปยุจจางอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุจด้วยอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่วิปยุจจางอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่วิปยุจจางอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่สัมปยุทธิอาศวะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่วิปยุจจ์อาศวะเกิดขึ้นพระเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุทธิอาศวะและที่ไม่วิปยุจจ์อาศวะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่วิปยุจจ์อาศวะเกิดขึ้นพระเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุทธิอาศวะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุทธิอาศวะและที่ไม่วิปยุจจ์อาศวะเกิดขึ้นพระเหตุตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่วิปวิจักอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่ไม cool ่สัมปยุทธิ์ด้วยอาสวะและที่ไม่วิปยุทธิ <h annya S 2> ์จากอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุุปปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุทธิ์ด้วยอาสวะและที่ไม่วิปยุทธิ์จากอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุทธิ์ด้วยอาสวะและที่ไม่วิปยุทธิ์จากอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุุปปัจจัยย่อเหตุตุปปัจจัยมีห้าวาระอารมณ์ปัจจัยมีหกวาระ และถึงวิปากับปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีเ้าวาระทุกปัจจัยเพื่ขยาดให้พิจารณาสิบอาสะวะสาสะวะทุ ก, กะหนึ่งปฏิจจวาระสาสอสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสะวะและที่ไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสะวะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะและที่ไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจจัย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 และที่มิใช่ไม่เป็นอา Allah, okay สวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะและที่มิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอา vy, สวะมิใช่ไม่เป็นอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะและที่มิใช่ไม่เป็นอา will, สวะเกิดข mm ึ hmm. ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะและที่ไม่ใช่ไม่เป็น like อารมณ์ของอาสวะอาศัย <confort. S 1> สภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะ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 มิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะและที่มิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะมิใช่ไม่เป็นอาสวะอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอาสวะมิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะและที่มิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะมิใช่ไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีกลาวาระอารมณ์ปัจจัยมีกลาวาระละถึงวิปากาปจจัยมีหนึ่งวาระละถึง อวิคตะปัจใจเมฆ้าวาระทุกปัจใจเพื่อขยายให้พิสดาร 18. อาสวะอาสวะสามปยุตตทุกกะหนึ่งปฏิจจวาระสาสองสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะและที่ไม่วิปยุจจากอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะและที่ไม่วิปยุจจากอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัตใจสภาวธรรมที่ไม่วิปยุจจากอาสวะ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 และที่ไม่ใช่ไม่เป็นอาสวะอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่วิปิยุจา์อาสวะและที่ไม่ใช่ไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นพระเหตุตปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอาสวะและที่ไม่วิปิยุจ์อาสวะอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่วิปิยุจอาจวะและที่ไม่ใช่ไม่เป็นอาจวะเกิดขึ้นพระเหตุตปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอาจวะไม่วิปิยุจฉอาจวะและที่ไม่วิปิยุจฉอาสวะ ไม่ใช่ไม่เป็นอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่วิปิวจักอา voc. สวะและที่ไม่ใช่ไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะและที่ไม่วิปิวจักอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะไม่วิปิวจักอาสวะและที่ไม่วิปิวจักอาสวะไม่ใช่ไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุตปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่วิปิจักอาสวะ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 ไม่ใช่ไม่เป็นอาสะวะเกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีกลาวาระอารมณะปัจจัยมีกลาววาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีกลาววาระทุกปัจใจเพิ่งขยายให้พิสดารสิบเอาสะวะวิปยุตตะสาสวะทุกะหนึ่งปฏิจจาวาระสาสาสภาวธรรมที่วิปิวิจักอาสะวะ และที่ไม่ใช่เป็นอารมณ์ของอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่วิปิวิจักอาสวะและที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัตใจสภาวธรรมที่วิปิวิจักอาสวะและที่ไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่วิปิวิจักอาสวะและที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัตใจสภาวธรรมที่วิปิวิจักอาสวะไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะและที่วิปิวิจักอาสวะ ไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่วิปิวิจากอาสวะและที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจใจสภาวธรรมที่วิปิวิจากอาสวะและที่ไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่วิปิวิจากอาสวะและที่ไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจใจสภาวธรรมที่วิปิวิจากอาสวะและที่ไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะ อาศัยสภาวะธรรมที่วิปิวจากอาสวะไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะและที่วิปิวจากอาสวะไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอรมณะปัจจัยมีสองวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระทุกปัจจัยพึงขยายให้พิดาราอาสวะโคชกะจก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 วิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระทุกปัจจัยพึงขยายให้พิสดารยีสอสัญญชนิยทุกกะสาสหสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์เกิดขึ้นเพราะเหตุตก ป, ป จ, จัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์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 เกิดขึ However, ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่วิปยุจักสังโยชน์เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุทธด้วยสังโยชน์และที่มีวิปยุจักสังโยชน์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่วิปยุจักสังโยชน์เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุทธด้วยสังโยชน์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์และที่ไม่วิปยุจักสังโยชน์ เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวะธรรมที่มีวิปิยุจากสังโยชน์อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่สัมปยุจด้วยสังโยชน์และที่มิวิปิยุจากสังโยชน์เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวะธรรมที่ไมิสัมปยุจด้วยสังโยชน์และที่มีวิปิยุจากสังโยชน์อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่สัมปยุจด้วยสังโยชน์และที่ไม่วิปิยุจากสังโยชน์เกิดขึ้นเพราะเหตุตปัจจัยย่อเหตุปัจจัยไม่กล่าววาระ อารมณะปัจใจมีหวาระละถึงอธิปติปัจใจมีห้าวาระละถึงวิปากะปัจใจมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจใจมีเก้าวาระทุกปัจใจพึงขยายให้พิจารณา่สสสัญโยชนะสัญโยชนิยทุกกะ 37. สภาวะธรรมที่ไม่เป็นสังโยชน์และที่ไม่ใช่มิเป็นอารมณ์ของสังโยชน์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 ยี่สสัญโยชนะสัญโยชนะสัมปยุตตะทุกะ 38. สภาวธรรมที่ไม่เป็นสังโยชน์และที่ไม่วิปวิจากสังโยชน์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นสังโยชน์และที่ไม่วิปวิจากสังโยชน์เปิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่วิปวิจากสังโยชน์และที่ไม่ใช่ไม่เป็นสังโยชน์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นสังโยชน์และที่ไม่วิปวิจากสังโยชน์เปิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัย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 สภาวธรรมที่ไม่เป็นสังโยชน์และที่ไม่วิปวิจักสังโยชน์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นสังโยชน์ไม่วิปวิจักสังโยชน์และที่ไม่วิปวิจักสังโยชน์มิใช่ไม่เป็นสังโยชน์เกิดขึ้นพระเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อเหตุปัจจัยมีเก้าวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระทุกปัจจัยพึงขยายให้พิจารณายี่สิบห้า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 ทุกปัจจัยเพึงขยายให้พิสดารสัญญโชนะโคชะกะจบ